สิ่งที่ผู้ปฏิบัติทำควรจะรู้ควรจะศึกษาก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือส่วนที่หนึ่งคือทำที่เป็นปัจจัยต้านการปฏิบัติสองทำที่เป็นปัจจัยเสริมการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรรู้ เพื่อจะได้หาวิธีที่จะกำจัดเวลาเกิดสิ่งที่เป็นปัจจัยต้านต่อการปฏิบัติและจะได้สร้างหรือเสริมสิ่งที่เป็นปัจจัยเสริมในการปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติจะได้ เจริญก้าวหน้าไปไม่มีการถดถอยไม่มีการล้มเหลวปัจจัยที่เป็นปัจจัยต้านการปฏิบัตินี้ก็เรียกว่านิวรมีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งคือความรังเลสงสยัย ในพระพุทธเจ้าก็ดีในพระธรรมคำสอนก็ดีในพระอริยสงสาวุก็ดีข้อที่สองคือกามชฉันทะความยินดีในกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะสาม ความฟุ้งซ่าน 4. ความง่วงเหงาหาวนอนเกลียดข้านและหความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาท <c oughs> ถ้ามีธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาในใจจะทำให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้ยาก เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดถ้าเราเตรียมมาตรการป้องกันหรือมาตรการแก้ไขไว้ล่วงหน้าเวลาที่เกิดนิวรนเหล่านี้ขึ้นมาเราก็จะสามารถกำจัดมันได้อย่างง่ายดายการกำจัดนิวรนข้อที่หนึ่งคือความลังเลสงสัย ถ้าสงสัยในพระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่ก็ให้เราศึกษาพระพุทธวัติพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าที่มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีหรือมีการเล่ามีการสอนโดยครูบาาจารย์ต่างๆก็ดีถ้าเราศึกษาเราก็จะหายสงสัยว่า พระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าเป็นใครมีคนมีประโยชน์อะไรกับเราอันนี้คือวิธีกําจัดความสงสัยในพระพุทธเจ้าให้เราเลอกถึงพระพุทธคุณพระพุทธคุณก็คือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าให้ศึกษาประวัติการเป็นมาของพระพุทธเจ้า เช่นทรงเป็นพระราชโอรสทรงประเสริฐในป่าลุมพินีขณะที่พระพุทธมารดาเดินทางสเสด็จไปเยี่ยมบ้านเกิดของพระองค์แล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆพอพระองค์ทรงเจริญเติบโตขึ้นมาอายุยี่สิบเก้าก็ทรงสละราชสมบัติ อ, อกบวก่อนที่จะสละราชสมบัติก็ได้พบกับเทวทูตสี่คือเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชจึงทำให้พระองค์ทรงเห็นความทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายและทรงมีความปรารถนาที่อยากจะ หลุดพ้นจากวัตตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายก็ทรงเห็นว่าการเป็นนัก บ, บวชนี้เป็นทางเดียวที่จะสามารถพาให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้พระองค์เลยตัดสินพระทัยเสด็จออกจากพระราชวังในคืนที่ได้ทราบข่าวว่าพระมหสีได้ทรงคลอด พระราชโอรสทรงทรงทรงกล่าวว่าทรงอุทานว่าราหุลแปลว่าบ่วงเมื่อได้ทราบว่าพระองค์ได้มีพระราชโอรสแล้วทรงเห็นว่าพระราชโอรสนี้จะเป็นบ่วงที่จะร้อยรัดไม่ให้พ่องสามารถเสด็จออกจากพระราชวัง เพื่อที่จะออกไปบำเพ็ญเพียรในการทําให้จิตใจได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้พระองค์จึงต้องเสด็จออกไปในคืนนั้นเลยโดยที่ไม่ไปร่ำลากับใครทั้งนั้นเพราะทรงรู้ว่าถ้ามีการร่ำลาแล้วก็คงจะไปไม่ได้เพราะจะไม่มีใครยอมให้พระองค์ได้เสด็จ ได้สระราชสมบัตินี่คือความมหัศจรรย์ของเอกบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงสามารถกระทำในสิ่งที่พวกเรานี้ไม่สามารถทำกันได้แต่พระองค์ทรงมีพระปัญญาที่ทรงสามารถเห็นโทษของการติดอยู่กับ การคองราชสมบัติและทรงเห็นคุณในการที่สละราชสมบัติจึงได้เสด็จออกไปในคืนนั้นและไม่เคยหวนกลับมาพระราชวังในตลอดระยะเวลาหกปีได้ที่ได้ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อให้ได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าแต่พอหลังจากที่ได้ทรงตัดสโลแล้ว ก็มีข่าวไปถึงพระราชวังทางพระราชวังก็ได้ส่งคนมาอาร า, า, ราธนาให้เสด็จกลับไปโปรดพระราชญาติพระองค์ก็ทรงเสด็จกลับไปโปรดและก็ได้รับลูกชายมาบวชเป็นสมัมมาณีองค์แรกของพระพุทธศาสนานี่คือประวัติ โดยย่อข้าวๆแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกมาอย่างต่อเนื่องถึง45ปีด้วยกันและพอพระชนมายุได้80พรรษาก็ส่งละพระสละวระร่างกายสเสด็จเข้าสู่พะนิชพาน์อย่างท้าวอน นี่ก็คือการศึกษาพระพุทธบาทโดยย่อเพื่อให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้านี้มีตัวตนมีความเป็นไปความเป็นมามีความวิเศษอย่างไรมีพระคุณอย่างไรกับสัตว์โลกถ้าเราได้ศึกษาพระพุทธประวัติแล้วความสงสัยในพระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่มีจริงก็จะหมดไปเช่นเดียวกับการศึกษาพระ สาวกประวัติของพระสาวกทั้งหลายเช่นพระสารีบุตรพระโมโกคลลานะพระอานนท่านเหล่านี้ท่านก็มีตัวตนเป็นผู้วิเศษรองจากพระพุทธเจ้าลงมาเพราะเป็นผู้ที่สามารถน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้มาบาเพ็ญมาปฏิบัติ จนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้หลุดพ้นจากวัตฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราศึกษาพระประวัติของพระสาวกเราก็จะสามารถเห็นว่าท่านก็เป็นบุคคลธรรมดาเหมือนเรานี่เองมีกิเลสความโลภโกรธหลงมีความรักตัวกลัวตายเหมือนกันแต่พอท่านได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบกับพระพุทธเจ้าได้เห็นตัวอย่างอันดีงามของพระพุทธเจ้าก็ทำให้เกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติให้ได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้โดยได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพอมีศรัทธาก็มีความยินดีที่จะศึกษาที่จะฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อนำเอาไปปฏิบัต ก็สามารถบรรลุผลได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุได้มาเป็นพระอาลัยตัสสาวุกมารับใช้พระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างใหญ่ไพศาลออกไปเพื่อที่จะสงเคราะห์ผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้รู้ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติ ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นจำนวนมากมาจนถึงปัจจุบันนี้มีภาษาวกของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในทุกยุคทุกสมัยตราบใดที่มีพระธรรมคำสอนอยู่ตราบใดที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่พระอรหันต์จะไม่ปราศจากโลกนี้ไปนี่คือสิ่งที่ จะช่วยทําให้เราหายสงสัยหายดังเลยว่าพระอริยสงสารวกนี้มีจริงหรือไม่มีตัวมีตนหรือไม่ส่วนถ้าเรามีความสงสัยในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติแบบใดถึงจะเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ต้องฟังคําสอนศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ แก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คื อ, อมัชฌิมาปฏิปฏาทามรี่มีองค์8ดนี่คือทางดำเนินทางปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมรกิแก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประ ค, ความเห็นชอบความดำริชอบ สัมมากรรมโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชิโวการมีอาชีพชอบสัมมาวายาโมการมีความเพียรชอบสัมมาสติการระลึกรู้ที่ชอบสัมมาสมาธิการตั้งมั่นของใจที่ชอบนี่คือ มักที่มีองค์แปดถ้าเราศึกษาแล้วเราจะไม่หลังเลยสงสัยแต่ถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเราไปได้ยินได้ฟังคนนั้นพูดอย่างหนึ่งคนนี้พูดอย่างหนึ่งก็จะทำให้เราสงสัยได้ไม่มั่นใจได้เพราะบางแห่งก็สอนว่าไม่ต้องนั่งสมาธิกันไม่ต้องมีสมาธิให้วิปัสสนาเลย อันนี้มันก็ขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่สรงสอนให้มีสัมมาสมาธิทงสอนให้มีศีลสมาธิปัญญาหรือทรงสอนให้ทานศีลภาวนาถึงนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในในรูปแบบต่างๆแต่เนื้อหาสาระเมื่อเรามาวิเคราะห์ดูแล้ว ก็เป็นมรแปดเหมือนกันต่างกันบ้างก็เรื่องของทานที่ไม่ได้มีในมรแปดเพราะตอนที่ทรงสอนมรแปดนี้ทรงสอนให้แก่พระภิกษุผู้ได้สละสมบัติเข้าของเงินทองไปหมดแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองการดูแลรักษาเงินทองจึงไม่จําเป็นที่จะต้องสอนเรื่องทาน พราะท่านได้สละไปหมดแล้วการที่สอนให้ทําทานก็สอนให้แก่ผู้ที่คลองเรือนผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองอยู่ให้สละเงินทองไปให้หมดถ้าอยากจะได้พระนิพพานถ้าอยากจะออกปฏิบัติเต็มรูปแบบไม่ไม่ควรที่จะไปกังวลหรือไม่มีภาระกับการเอ หาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองกวรที่จะปล่อยวางเงินทองเหล่านั้นถ้ามีจะเก็บไว้เฉยๆก็ไม่เป็นปัญหาตราบใดที่ใจเราไม่ไปมีความผูกพันไม่มีความกังวลไม่ต้องมาเสียเวลากับเขาเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญากัน สีนภาวนาก็คือสมาธิและปัญญานี่เองภาวนานี่ก็มีสองขั้นขั้นสมาธิเรียกว่าสมถภาวนาขั้นปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนานี่เป็นคาพูดคำสอนที่คล้ายๆกันถ้าเราไม่ศึกษากันเราก็จะงงจะไม่เข้าใจจะสับสนเพราะมรรคนี่ทรงแสดงได้ในหลายลักษณะด้วยกัน เป็นสอนพระภิกษุก็สอนมากแบบหรือสอนศีลสมาธิปัญญาสอนคารวาดญาติโยมผู้คลองเรือนผู้ที่ยังมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองก็ส่งสอนทานศีลภาวนานี่คือเรื่องของการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้กำจัดความลังเลสงสัยว่าการปฏิบัติอย่างไร ถึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ถ้าเราได้ศึกษาแล้วความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะหมดปัญหาไปการปฏิบัติของเราก็จะทุ่มเทได้อย่างเต็มที่ถ้าอยู่ในขั้นทมทานก็ทาทานกันอย่างเต็มที่ อยู่ในการรักษาศีลห้าก็รักษาศีลห้าให้อย่างเต็มที่ถ้าขยับขึ้นกะสู่การรักษาศีลแปดศีลสิศีล2องยยี 7, ก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์กันอย่างเต็มที่ถ้าอยู่ในการภาวนาจเจริญสมถะภาวนาทําใจให้สงบเป็นสมาธิก็ต้องปลีกวิเวกอยู่ตามลมพังแล้วก็จเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่อง ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่สมาธิรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกขตารมเป็นอัปปนาสมาธิหรือเป็นคณิกะสมาธิถ้าจิตรวมลงชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าจิตรวมลงแล้วตั้งอยู่ได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าสงบได้นานเป็นอุเบกขาได้นานสักแต่วรู้ได้นาน ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิพอออกจากสมาธิมาแล้วพอจิตเริ่มมีการคิดปรุงแต่ง <inal color taught those things> ก็ให้ดึงเอาความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดในทางธรรมให้มาคิดในทางใยรัก ท, ทันทีอย่าปล่อยให้คิดไปในทางตรงกันข้ามกับใยรักเห็นอะไรต้องพิจารณาว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทันทีถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้ว ใจก็จะไม่หลงไปกับความหลงที่จะคอยหลอกให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นนิจจังเป็นสิ่งที่ท้าวรเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราเป็นของเราเป็นสมบัติของเราจะอยู่กับเราไปตลอดนี่คือลักษณะของความหลงที่มีอยู่ภายในใจจะหลอกใจให้คิดอย่างนี้เราจึงต้องมาแก้ด้วยความจริงของของสิ่งต่างๆว่าเขาไม่เที่ยง เขามีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้เป็นดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นอยากให้เขาไม่เสื่อมพอเขาเสื่อมก็จะทุกข์ใจขึ้นมาอยากไม่ให้เขาดับพอเขาดับก็จะทุกข์ใจขึ้นมาพอไม่เห็นอนัตตาว่าเราไม่สามารถที่จะไป กวบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นั่นเองนี่ก็คือเรื่องของการศึกษาวิธีการปฏิบัติเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมากังวลมาลังเลสงสัยเราก็บำเพ็ญไปตามขั้นของเราเราอยู่ขั้นนักบุญเราก็ทำทานรักษาศีลห้าไป ถ้าเราอยู่ขั้นของนักบวชเราก็ต้องภาวนาไปเป็นหลักเรื่องของการทำทานก็ทำได้บ้างแต่อย่าให้มาขัดกับการบาเพ็ญภาวนาเช่นเราไปปีกเว้เวกอยู่ในปา่าไปภาวนาแล้วก็มีคนมาชวนให้ไปทอดพระปา่าไปร่วมบุญงานวันเกิดของครูบาอาจารย์งานศพของพระรูปนั้นพระรูปนี้ซึ่งมันก็เป็น การกระทาที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่มันเป็นบุญส่วนต่ำรือเป็นบุญส่วนหยาบที่จะมาทำลายบุญส่วนละเอียดถ้าเราเป็นนักบวชแล้วหรือนักปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำทานอย่าให้มาล้มการภาวนาของเราเป็นอันขาดอย่างพระวัดป่าบ้านตานี่หลวงป่าท่านไม่อนุ ญ, ญาตให้ออกไปรับเก็บนิมน ไม่ให้ออกไปฉันนอกวัดถึงแม้ ว, ว่าจะเป็นพันธภารกิจที่ไปโปรดญาติโยมให้ญาติโยมได้ทาบุญทาทานแต่มันเป็นการทำลายการภาวนาของพระเวลาพระออกไปนอกวัดนีพระจะต้องไปสัมผัสรับรูก้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลถพะต่างๆแล้วก็จะทำให้เกิดการมัฉันทะขึ้นมาเกิดนิวรณ์ทำให้จิตใจมีความอยาก เวลาใจมีความอยากนี่จะทำให้ใจสงบนี่มันจะแสนยากแสนลาบากเพราะหลวงตาท่านจึงไม่ให้พระในวัดรับกิจนิมนต์ให้อยู่แต่ในวัดออกไปนอกวัดก็เพียงแต่เวลาไปบินบา巴เพราะไม่เป็นปัญหาอะไรการบินบาตมีการสำรวมตาหูจมูกเล่นกายเพียงแต่ไปรับอาหารที่ญาติโยมใส่บาตรมาใส่จแล้วก็ ให้เดินกับเดินจงกรมกับวัดกันนี่คือเรื่องของการศึกษาให้รู้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อเราจะได้กำจัดนิวรณความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ดีในพระธรรมคำสอนก็ดีในพระอริยสงสาวก็ดีว่ามีจริงหรือเปล่า ว่าการปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าจะไม่ต้องสงสัยเมื่อเราไม่สงสัยแล้วเราก็กาจัดอุปสรรคที่ขวางการการปฏิบัติของเราไปได้ข้อหนึ่งข้อที่สองก็เรื่องของการมัชันท่ก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสวิธีที่จะป้องกันก็คือต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสปุทะภพ เช็นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาอยู่ตามที่ไม่มีแสงสีเสียงไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะที่จะทาให้เกิดกามฉันทะขึ้มานั่นเองถ้าอยู่ในวัดถ้าอยู่วัดในบ้านในเมืองนี้จะมันจะอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะเพราะอยู่ใกล้ชาวบ้านชาวเมืองที่เขาเสกกามคุณทั้งห้านี้เป็นปกติ แต่ถ้าไปอยู่ในป่าในเขาเนีนจะไม่มีกรมคุณทั้งห้าที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาเสษกันก็จะไม่มีอะไรมาลบกวนใจของผู้ปฏิบัติเะฉั้นผู้ที่ปฏิบัตินี้จำเป็นที่จะต้องอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพภะแล้วจำเป็นที่จะต้องบาเพ็ญศีลในขมะ ก็คือสินแปดสินแปก็คือศินห้าบวกบวกขึ้นอีกสามข้อแล้วก็ข้อที่สามก็เปลี่ยนจากกามเมมาเป็นอป ร, รมาจาริย์ถ้าถือศินห้านี้ยังสามารถที่จะหาความสุขจากการร่วมดับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่ถ้าถือศินแปดนี้ก็จะต้องกําจัดกามฉันทะก็จําเป็นจะต้อง ละเว้นการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนหรือกับใครก็ตามจะไม่จะไม่หาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแล้วก็จะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อกามฉันทะ ไม่ได้ดืม่มเครื่องดื่มเพื่อการมาชันทะดื่มเพื่อร่างกายรับประทานอาหารเพื่อร่างกายก็รับประทานเพียงวันละมื้อก็พอหรือถ้าจะสองมื้อก็ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วเพราะถ้ารับประทานอาหารมากก็จะทำให้เกิดมีนิวรข้อที่สามขึ้นมาก็คือความง่วงเหงาหงานอนความเกลียดค้านเวลากินอิ่มแล้ว ห้ังท้องมันตึงหนังตามันหย่อนะก็อยากจะพักผ่อนหลับนอนไม่อยากที่จะภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ถ้าไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานพอประมาณพอให้ร่างกายไม่หิวไม่ต้องการรับประทานให้อิ่มเพียงแต่ดับความหิวก็พอความหิวนี้เป็นเป็นโทษความอิ่มนี่ก็เป็นโทษสําหรับผู้ปฏิบัตินะ ผู้ปฏิบัติจึงต้องรับประทานให้มันอยู่ระหว่างความหิวกับความอิ่มคือความหิวก็ไม่มีความอิ่มก็ไม่มีการรับประทานแบบนี้แหละที่จะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความง่วงเหงาหานอนที่จะตามมานี่ก็คือการแก้นิวอนข้อที่สก็คือต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารถ้ามันง่วงเหงาหานอนก็ต้องลดปริมาณลงไป ถ้าฉันมื้อเดียวกินมื้อเดียวก็ยังง่วงนอนอยู่ก็ต้องกินฉันครึ่งหนึ่งของมื้อที่เราเคยฉันเคยรับประทานเคยกินข้าวสองจานก็ลดเหลือสักจานเดียวถ้าจานเดียวก็ยังง่วงอยู่ก็อดมันไปเลยไม่ตายอดข้าววันสองวันนี้ไม่ตายมีกูบาจานมีพระปฏิบัติท่านอดกันมามากกว่านี้ท่านก็ไม่มีตายกันมีแต่กิเลส คือการมฉันตะตายมีแต่กิเลสคือนิวรณ์ความง่วงเหลาเหานอนที่จะตายไปร่างกายไม่ตายเพราะอดอาหารสองวันหรือสามวันในบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมในเรื่องของการอดอาหารนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติอดกันครั้งละห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างหรือบางท่านก็อดสลับกันอดวันกินวันอดวันกินวันไป ผู้ปฏิบัตินี้มักจะไม่ค่อยมีความสุขจากการรับประทานอาหารทัเท่าไหร่เพราะการรับประทานอาหารให้เกิดความสุขเกิดความอิ่มนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนานั่นเองท่านจึงต้องยอมทุกข์ทางร่างกายเพื่อความสุขทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่มีคุณค่ามากกว่าเพราะเป็นความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่ถาวรความสุขที่จะอยู่คู่กับ ใจไปตลอดส่วนความสุขทางร่างกายมันก็แค่ไม่กี่ชั่วโมงรับประทานอิ่มแล้วเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงพออาหารย่อยหมดไปแล้วความหิวอยากจะรับประทานอาหารก็มีกลับขึ้นมาใหม่แต่ความสุขที่ได้รับจากการบําเพ็ญภาวนาจิตตภาวนาสมถภาวนาทําให้จิตสงบจิตรวมเข้าสู่อัปปนานี้จะได้รับกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ ความสุขทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือสิ่งที่นักปฏิบัติจาเป็นจะต้องสังวรคานึงอยู่เสมอให้ยอมเสียสละความสุขทางร่างกายเพื่อให้ได้ความสุขทางใจได้การได้ปฏิบัติธรรมโดยปราสจากนิวรเพื่อที่จิตใจจะได้เข้าสู่ความสงบได้นิวรข้อต่อมาก็คือ ความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็เกิดจากการที่เราไม่ควบคุมความคิดตรุงแต่งนั่นเองปล่อยให้ใจลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ลอยไปกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ที่มาที่ไหลออกมาสัญญาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆพอไหลมาใจก็ไปจับก็ไปไปปรุงแต่งด้วยแล้วก็เกิด อารมณ์พุ่งสร้างขึ้นมาวิธีที่จะกำจัดก็คือต้องเจริญสติอย่างสม่าเสมอตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าปล่อยให้ใจคิดพุ้งสร้างอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดถ้าจะคิดก็คิดกับเรื่องที่จําเป็นเท่านั้นถ้าจะคิดถ้าท่านอยู่ในท่านปัญญาก็ให้คิดไปในทางปัญญา หรือถ้ายังไม่อยู่ในขั้นปัญญาถ้าคิดไปในทางขั้นในทางปัญญาได้ก็คิดได้เพราะการคิดในทางปัญญาก็จะเป็นเป็นเหตุที่จะทำให้ใจสงบได้ที่ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิถ้าเราพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆอย่างนี้าการพิจารณาอย่างนี้ก็จะทำให้ใจสงบไม่ฟุ้งซ่านได้ถ้าถูกเจริญกับเราถ้าไม่ถูกจริต คนที่คิดถึงความตายแล้วก็จะเกิดอาการกลัวตายขึ้นมาเกิดอาการหดหูใจขึ้นมาก็ไม่ควรที่จะคิดเพราะว่ามันไม่ถูกใจเลยมันแทนที่จะเป็นคุณมันจะเป็นโทษกับจิตใจได้ผู้บำเพ็ญจึงต้องรู้จักกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะใช้ในการกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบไม่ให้ฟุ้งซ่านสารสหรับคนทั่วไปนี่ การบริกรรมพุโทโธนี้จะเป็นกรรมฐานที่เหมาะเพราะเป็นกรรมฐานที่เป็นกลางไม่ได้ทําให้ผู้หนึ่งผู้ใดเกิดความอ้าวอ า, อ า, อ า, อ า, อารมณ์ไม่ดีขึ้นมาถ้ า, ถ, าถ้าพิจารณาความตายพิจารณาความเสื่อมของสิ่งต่างๆไม่ได้พิจารณาอาสุภภาพความไม่สวยงามของร่างกายไม่ได้ก็ลองใช้ พุทธานุสติดูแล้วเลอกถึงพระพุทธเจ้าบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าชอบใช้ร่างกายเป็นเป็นที่กอบใจก็คอยเฝ้าดูการกระทาของร่างกายในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะทำอะไรก็ดีให้มีสติรู้อยู่กับ การเคลื่อนไหวกับการกระทำของร่างกายในทุกอิริยาบถเลยในทุกขณะทุกเวลาอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีสติมีกาลังพอที่จะเกาะติดอยู่กับร่างกายได้การใช้การดูร่างกายนี้ก็ก็สบายและง่ายแต่ต้องมีสติมากพอสมควรถ้าดูแล้วใจยังวับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็อาจจะต้องใช้คำวิธีกรรมมาช่วยเดินเอาไว้ หรือใช้บทสวดมนต์บทใดบทหนึ่งที่เราชอบสวดไว้ก็ได้สวดอิติปิโสไปเรื่อยๆก็ได้ยังที่มีธรรมเนียมสอนให้กับคนที่มีวันเกิดว่าให้สวดอิติปิโสให้ครบตามตามจำนวนปีของขอ ง, ของวันเกิดของตนถ้าครบห้าสิบปีก็ให้สวดอิติปิโสห้าสิบรอบอันนี้เป็นอุบายของนักปราชญ์ที่จะให้ ได้เจริญสตินั่นเองให้ได้ฝึกสติเพราะถ้าใจได้สวดแล้วไม่ได้ไปคิดเรื่องราวต่างๆใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายจะมีความสุขแล้วก็จะได้พบกับความสุขที่ไม่เคยได้พบได้เห็นมาก่อนอันนี้เป็นอุบายของนักปราชญ์สอนเพื่อที่จะให้คนที่ ยังไม่ฉลาดยังไม่รู้ถึงเหตุที่จะทาให้เกิดความสุขใจขึ้นมาว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่างสมัยที่หลวงปู่มั่นท่านไปบาเพ็ญเพียรอยู่ในป่าที่เชียงใหม่ก็มีชาวป่าชาวเขาบางทีเขาก็แอบมาดูที่หลวงปู่ภาวนาที่ท่านเดินจงกรมเ็าเห็นท่านเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาหน้าตาก็ก้มลงไปที่เท้า เขาก็สงสัยว่าท่านเดินหาอะไรหรือเปล่าเขาก็อยากที่จะช่วยหลวงปู่หาของก็เลยไปถามหลวงปู่ว่าหาอะไรอยู่เลยช่วยได้ไหมจะให้ช่วยหาไหมหลวงปูกก่บอกช่วยได้ก็ดีกำลังหาพุทโธอยู่ใช่ช่วยหาให้หน่อยแล้วหายังไงถึงจะได้พุทโธก็ท่องพุทโธพุทโธไปเดินไปแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็จะได้พุทโธเอง พุทโธก็คือผู้รู้นี่เองสักแต่ว่ารู้เวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบพุทโธก็จะโผล่ขึ้นมาผู้รู้ก็จะโผล่ขึ้นมาเพราะผู้คิดหายไปนั่นเองถ้ามีผู้คิดอยู่ผู้รู้ก็จะถูกผู้คิดนี้กลบเอาไว้บังเอาไว้ทำให้เห็นผู้รู้ผู้เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่สำคัญกว่าผู้คิดถ้าอยู่กับผู้รู้ได้จิตจะมีความสงบจิตจะมีความสุข แต่ถ้าอยู่กับผู้คิดแล้วจิตจะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความฟุง้งซ่านนี่คือวิธีการป้องกันความฟุง้งซ่านหรือแก้ความฟุง้งซ่านเวลาที่เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาให้เราบริกรรมพุโทโธไปให้ถี่เลยอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราฟุงา้งซ่านหรือให้สวดอิติปิโสไปตามอายุของเราไป อายุ 40, สี่สิบก็สวนมันสี่สิบรอบออติปิโสอารหังสัมมาวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิถูอนุตตะโรปุลิสดัด ม, มัาสารติสัตธาเดวมนุษานางบุตโทธภักวาติสวนมันไปถ้าสวดย่างนี้ไปรับรองได้ความฟุ้งซ่านนี้มันต้องดับอย่างแน่นอนหรือว่าถ้าเราใช้ปัญญาเป็นก ใช้ไไต่ละเข้าไปพิจารณาเรื่องท enfin ี่ทําให้เราทุ้ง์ส <c adows series> ั่นเรื่องที่ทําให้เราทุกข์สั่นมันไม่เที่ยงมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่ามันจะมันจะเป็นไปตามที่เราต้องการได้หรือเปล่าเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นได้ดังใจเราหรือเปล่าถ้าพิจารณาเห็นว่ามันเป็นอนัตตาอยากไปมันก็ไม่เป็นดางที่เราอยากเครียดไปเปล่าเปล่าทุกข์ไปเปล่าๆล่าแล้วมันก็จะอยู่ไปตลอดหรือเปล่า มันก็ไม่อยู่เลอดไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งมันก็ต้องดับไปให้คิดอย่างนี้แนละ้วมันก็ปองได้วางได้จิตก็กลับเข้ามาสู่ความสงบความเป็นปกติได้กลับมาดูลมหายใจเข้าออกได้มาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายได้มาบริกรรมพุโทโธได้นี่คือวิธีแก่นิวรันคือความฟุง้งซ่านส่วนนิวรันก็สุดท้ายก็คือ ความโกเกลียดอาฆาตพยาบาทความโมโหโทโสมันนี้ถ้าเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ใจร้อนใจเป็นฟืนเป็นไฟภาวนายัางไงก็ไม่มีทางที่จะสงบได้วิธีที่จะแก้นิ้วอนตัวนี้ก็ต้องแผ่เมตตาต้องให้อภัยต้องรู้จักการไม่จองเวนจองกรรมให้รู้ว่าการจองเวนนี้ไม่ใช่เป็นการนั ง, งับเวนการจะรับนับเวนนี้คือการไม่จองเวน เวรย่อมไม่รับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรพอเราไม่จองเวรเราให้อาภัยได้ใจก็จะกลับมาสู่สภาพปกติได้ถ้าเราให้อาภัยไม่ได้จะต้องเอาโทษเขาให้ได้จะต้องทำร้ายเขาให้ได้ก็ต้องพยายามดิ้นรนหาวิธีต่างๆที่จะไปที่จะทำร้ายเขา ถ้าทำร้ายไม่ได้ก็ยิ่งพยายามต้องพยายามใหญ่มันก็ยิ่งร้อนใหญ่ถ้าทำได้มันก็มาร้อนอีกแบบหนึ่งร้อนเพราะว่าไปทำร้ายเขาแล้วทีนี้ก็กลัวว่าเขาจะกลับมาทำร้ายเราแล้วสิหรือถ้าถ้าเขาตายไปแล้วก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาตามจับเราไปลงโทษหรือพ่อแม่พี่น้องของเขาก็อาจจะต้องตามมาร้างแค้นเราต่อไป ดังนั้นวิธีที่จะระงับ <c oughs> ความพุง้งความโกรธความเกลียดความมาคาาพยาบาทจองเวรจองกรรมก็คือต้องให้อภัยให้อภัยแล้วใจของเราก็จะกลับสู่ความเป็นปกติได้กลับมานั่งสมาธิภาวนาได้นี่คือปัจจัยที่เป็นปัจจัยต้านในการทำใจให้สงบในการภาวนา ในการพัฒนาจิตใจให้สงบและให้เกิดปัญญาตามลำดับเราจึงต้องพยายามเจริญธรรมะต่างๆเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณศึกษาพระพุทธประวัติศึกษาพระประวัติของพระอริยสงสาวกศึกษาพระธรรมคาสอนทบทวนอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ดื้อ แล้วก็พยายามปิกวิเวกอยู่คนเดียวไม่คุกคลีกับใครไม่ยุ่งกับใครอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสพทธพะแล้วก็ถือศีลแปดไว้เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ใจออกไปหาอารมณ์ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะทำให้เสียเวลากับการภาวนาที่จะทำให้การภาวนานี้ไม่เจริญก้าวหน้า แล้วก็ให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารอดอาหารบ้างถ้ามันเป็นอุปสรรคถ้ามีความง่วงเหงาเหานอนมีความเกียดการก็ให้อดอาหารกันหรืออีกวิธีหนึ่งก็ให้ไปอยู่ที่น่ากลัวเวลาเราไปอยู่ที่น่ากลัวนี้เรามักจะนอนไม่หลับกันเช่นไปภาวนาในป่าชา้านี่ ถ้าเราไม่อยากจะอดอาหารเราก็ต้องไปภาวนาในป่าชาเวลาไปอยู่ในป่าช้านี้มันจะไม่ง่วงนอนมันจะไม่ขี้เกียจแล้วก็จเจรินสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าปล่อยให้ใจคิดเบื่อเปื่อยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตคิดเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต อย่าไปคิดให้เสียเวลาให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปดีกว่าหรือให้อยู่กับปัญญาให้อยู่กับธรรมไปก็ได้พิจารณามมนะนสติความตายพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายพิจารณาความสกรปรกความไม่น่าดูของอาหารที่เรารับประทานถ้าเรามีปัญหากับเรื่องของการรับประทานอาหาร อยากจะรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเคสก็ต้องพยายามมาลึกถึงอาหารที่มันเข้าไปในปากเวลาถูกเคี้ยวถูกบดผสมกับน้ำลายแล้วถ้าคายออกมานี้เราจะตักเข้าไปเข้าไปในปากใหม่ได้หรือไม่หรือเวลามันเข้าไปในท้องแล้วมันอาเจียนออกมาหรือเวลามันออกมาจากทวารหนักแล้วเรายังอยากจะรับประทานอาหารแบบนั้นอยู่หรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้ากามฉันทะแล้วก็ทําให้ไม่รับประทานอาหารมาไม่มากจนเกินไปได้รับประทานพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอพอไม่ให้ร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยวิธีรับประทานดีที่สุดก็คือระวงังระหว่างความหิวกับความอิ่มนั่นแหละคือไม่ให้มันหิวแต่ก็ไม่ให้มันอิ่ม กินเพื่อระงับดับความหิวแต่ไม่ต้องถึงกับอิ่มพอรู้สึกว่าหายหิวแล้วก็หยุดกินเสีย อ, อย่าไปกินให้มันอิ่มเพราะถ้ามันอิ่มแล้วมันจะมากเกินไปมันจะทําให้หนังท้องเป็นหนังตาหย่อนได้จะทําทให้ง่วงเหงาเผลอนอนให้เกิดความเกียดคารานได้นี่ก็เรื่องของนิวรที่เป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญ กิตภาวานาโดยเฉพาะส ม, มถะภาวานาทําใจให้สงบถ้าเรายังไม่มีส ม, มถะภาวานานี่การบําเพ็ญเรื่องวิปัสนาภาวานานี้ลืมไปได้เลยเถิดมันไม่เป็นวิปัสนาภาวานามันเป็นมันเป็นเพียงแต่สัญญาเสียมากกว่าคิดได้เพียงแค่สองสามวินาทีแล้วก็เลิกแล้วถ้าเป็นวิปัสนานี้มันต้องคิดอยู่ตลอดเวลาจนไม่หลงไม่ลืมถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญา แต่พิจารณาความตายเพียงแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็เลิกแนละ้วเองนี้เรียกว่ายังเป็นสัญญาอยู่เหมือนที่พระเจ้าถามพระอนอนท์ว่าอ น, อนนท์วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งด้วยกันอ น, อนนท์บอกวันละสี่ห้าครั้งพระเจ้าบอกนี่มันไม่พอยังไม่เป็นปัญญายังเป็นสัญญาอยู่เพราเธอระลึกเวลาที่เธอไม่ระลึกเธอก็ลืมไปแล้วพอเธอลืมกิเลสมันก็ออกมาเพ่นพ่านแนละ้ว แต่ถ้าเราลกถึงความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกนี้กิเลสมันจะไม่มีช่องออกมาเพ่นพ่านได้เลยคนเราถ้ารู้ว่าจะจะต้องตายนี้เรื่องของความโลภความโกรธนี่มันไม่รู้วิ่งหายไปไหนหมดคนเราถ้ารู้ว่าจะต้องตายนี้มันจะคิดแต่จะหาวิธีทำใจให้สงบเท่านั้นเพราะมันรู้ว่าความสงบของใจนี้จะเป็นที่พึ่งได้ในยามยากเวลาที่ใจเวลาที่ใจต้องจากร่างกายไป คนที่รู้ว่าจะต้องตายถึงมักจะไปอยู่วัดกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่คึึงได้แล้วสำหรับจิตใจมีแต่ธรรมะเท่านั้นมีแต่การภาวนาเท่านั้นที่จะทำที่จะทาให้ใจสงบไม่ให้ทุกข์กับความตายได้นี่คือเรื่องของนิวรณ์ห้าและวิธีแก้วินิวร์ทั้งห้าที่เป็นปัจจัยต้าน การภาวนาไม่ให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองส่วนปัจจัยที่จะเสริมการภาวนาให้ก้าวไปก็อย่างที่ได้พูดไว้ปัจจัยที่มาแก้สิ่งที่มาแก้นิวอนนี้ก็เป็นเป็นปัจจัยเสริมนอกจากนั้นก็มีทุรงนขวัตที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงหรือกล่าวถึงก็ได้ ตุดองขวัตก็คือข้อวัดปฏิบัติส3บสาข้อที่พทธเจ้าทรงแนะนำแต่ไม่ทรงบังคับให้พระที่มาบวชนี้ถือกันจะถือก็ได้ไม่ถือก็ได้ถ้าถือก็จะทำให้การบาเพ็ญภาวนานี้ก้าวไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าไม่ถือ ก, ก็ไปช้าหน่อยไปยากหน่อย เหมือนกับแปลวน้ำมันรถสมัยนี้เขามีน้ำมันหลายเกรดด้วยกัน91ก็มี95ก็มีถ้าต้องการให้รถนี้มีกำลังมากก็ใช้น้ำมันที่เกรดสูงคือ95แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากหน่อยเพราะราคามันสูงกว่าราคาน้ำมันที่ต่ำกว่าฉันใดตุโดงขวัวนี้ก็เป็นเหมือนน้ำมันพิเศษของการบำเพ็ญจิตภาวนา ก็จะต้องทุกข์มากขึ้นมาหน่อยเป็นราคาที่เราจะต้องจ่ายถ้าเราต้องการให้การภาวนาของเหล่านี้จเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายต้นดวงกัลวัตสิบสามข้อนี้ก็มีแบ่งเป็นสามสี่ส่วนด้วยกันส่วนแากก็เกี่ยวกับการขบฉันกับการรับประทานอาหารของพระภิกษุถ้าเป็นพระภิกษุท่านก็บอกว่าให้บิณฑบาตเป็นวันคือ การบินราบาทนี้จะเป็นการปราบกิเลสที่ชอบเลือกอาหารกินถ้าไปบินตบาทนี้มันต้องกินตามมีตามเกิดเขาให้อะไรมาก็กินไปตามที่เขาให้มาเขาใส่บาทมาถ้าไม่ไปบินตาบาทแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาคอยมาคอยมารับใช้คอยมารับคำสั่งก็สามารถสั่งอาหารชนิดนั่นชนิดนี้มากินได้ ถ้าอย่างนั้นมันก็กินเพื่อกรารมาันทะกินเพื่อเสริมนิวรณ์ไม่ได้กินเพื่อกําจัดนิวรณ์การบินธบาตนี้ก็เพื่อเป็นการบริโภคอาหารเพื่อกําจัดนิวรณ์แล้วก็กําจัดความเกลียดค้าด้วยเพราะการบินธบาตจะต้องเดินปกติถ้าเป็นผ้าป่านี้จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านอย่างน้อยก็ประมาณสองกิโลเมตรเพราะอยู่ใกล้ไปเสียงมันก็จะดังมันก็จะมารบกวนการภาวนา ก็ต้องอยู่ระยะพอสมควรคือปกติท่านจะให้อยู่ประมาณสองกิโลคือให้เดินไปกับการบินธบาตินี้อยู่ในประมาณหนึ่งชั่วโมงเดินไปสองชั่วโมงเดินเข้าไปในละแวกบ้านอีกพักหนึ่งสองกิโลแล้วก็เดินทในละแวกบ้านอีกครึ่งกิโลแล้วกิโลหนึ่งสุดแท้แต่ความยาวหรือสั้นของสายบินธบาตเสร็จแล้วก็เดินกลับวัดกันอันนี้ก็ได้เดินจงกนไปในตัว การบินาบาตของพระนี่ท่านถือว่าเป็นการเดินจงกรมไปเป็นการโปรดสัตว์ถ้ะโปรดสัตว์นี้ต้องไปแบบเดินจงกรมคือมีสติและเลึกเล่อยู่กับการเดินกับการรับบาตรกับการเปิดฟ้าบาตรกับการปิดฟ้าบาตรใจไม่ไปคิดถึงเรื่องอาหารที่ญาติโยมจะให้มาไม่ไปสนใจว่าใครจะใส่หรือไม่ใส่ใครจะใส่ก็เป็นเรื่องของเขาขเขาไม่ใส่ก็เป็นเรื่องของเขา เรามีหน้าที่มาโปรดการโปรดสัตว์ก็คือทำให้ผู้ที่อยากจะทำบุญทําทานได้มีโอกาสได้ทำบุญทําทานนั่นเองแต่ถ้าเขาไม่อยากจะทำก็เป็นเรื่องของเขาพระมีหน้าที่ไปทำหน้าที่ของพระคือไปเป็นบุคคลที่จะทำให้เกิดมีการทำบุญทําทานขึ้นมาถ้าไม่มีพระไปบิณฑบาตญาิโยมที่อยากจะทำบุญก็ไม่มีโอกาสได้ทาบุญนอกจาก ต้องเดินทางไปที่วัดถึงจะได้ทำบุญกับพระการบินทบาทท่านจึงเรียกว่ามีประโยชน์ทั้งหลายประการด้วยกับผู้บินทบาทเองก็มีประโยชน์กําจัดนิวรณ์ความเกียดค้านกามฉันทะแล้วก็โปรดญาติโยมผู้ที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำบุญได้ทำบุญเพื่อที่เขาจะได้พัฒนาจิตใจของเขาให้ขึ้นสู่ระดับสูงตามลำดับต่อไป การที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงได้ก็ต้องเริ่มจากการทำทานนี้เองฐานนี้เป็นน <c oughs> ิวรข้อนี้ไม่มีในพระพุทธศาสนา <c oughs> เออก็เป็นการมาฉันทะเหมือนกันเป็นเสียงเสียงก็มารบกวนได้เรื่องทุดงขวะนี้เป็นปัจจัยเสริมของผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะนักบวชให้บินระบาทเป็นวัด แล้วก็ให้ฉันในบาทฉันในบาทก็คือจะได้ไม่ยุ่งยากกับเรื่องการล้างถ้วยล้างชามต้องหาภาชนะต่างๆมาแยกอาหารชนิดนั้นใส่จานนี้ชนิดนั้นใส่ใส่ชามนั้นของหวานใส่แก้วใส่ถ้วยอะไรวุ่นไปหมดกว่าจะฉันเสร็จกว่าจะมารางช่วยล้างชามเสร็จก็หมดไปหมดเวลาไ ป, ไปกับเสียเวลาของการภาวนาไปท่านก็เลยให้ฉันภาชนะเดียวฉันในบาท แล้เป็นการกำจัดกิเลสเรื่องจู้จี้จุกจิกกับเรื่องอาหารนี้มีอาหารอะไรก็ใส่มันไปในบาศนะถ้าให้ดีก็คลุก ม, มันเลยคนมันเลยเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันอยู่ในท้องอยู่ดีถ้ากินเพื่อร่างกายกินเพื่อกำจัดนิวรณ์กำจัดกิเลกก็ต้องกินแบบคลุก ม, มันเลยผสมมันเข้าไปให้มันเป็นอาหารจานเดียวไปเลยถ้าทำอย่างนี้แล้วการรับประทานอาหารก็จะไม่เป็น ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นนิวรแล้วก็จะรับประทานไม่มากไม่ถึงกับอิ่มรับประทานพอให้มันหายหิวก็พอนี่เรียกว่าการฉันในภาชนะเดียวฉันแล้วก็ให้ฉันมือเดียวทวดดงควัตครานี้ก็บอกไม่ให้กินมากกินมากแล้วง่วงนอนเกียดข้านก็ให้ฉันมือเดียวแล้วบางแห่งทาง่านให้ถือการไม่รับอาหารหลังจากกลับมาจากบินบาตแล้ว คือให้มีความมากน้อยสันโดษให้ยินดีกับอาหารที่ได้จากบิณตาบาก็พอใครจะตามมาที่หลังมาถวายที่ศาลาในวัดนี้จะไม่รับแล้วเพราะมากเกินไปถ้าอยากจะใส่บาตรก็ต้องรองใส่ตอนที่บินตาบาตานั้นถ้าหลังจากนั้นเราก็จะไม่รับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่วัดป่าบ้านตากก็จะถือข้อนี้ในช่วงเข้าพรรษาในช่วงเข้าพรรษาญาติโยมที่มาไม่ทันบินตบา ก็ต้องมาดักที่หน้าประตูวัดตั้งแถวกันยาวเหยียดแทนที่อยากจะได้อาหารน้อยๆมันก็เลยกลับกลายเป็นอาหารมากจังจนต้องมีคนมาคอยถ่ายบาทเอาชามากละมังมาคอยถ่ายบาทให้แต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องของศรัทธาของคนที่อยากจะทำบุญกับภาพที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่ถือธูปองขวัดกัน ถ้าในบ้านในเมืองนี้เขาไม่รู้จักคำว่าทุดงควัทแครู้จักแต่สำรับรู้จักแต่การรับประทานแบบเจ้าฟ้าเจ้านายกันแต่เขาจะไม่รู้จักวิธีรับประทานแบบฉันในบาทฉันมือเดียวญาติโยมที่มีศรัทธาจึงมักจะไปไปตามวัดป่าวัดเขากันแล้วแทนที่จะทำให้ท่านกินน้อยได้อาหารน้อยกลับทาให้ต้องมีอาหารมาก แต่อย่างน้อยท่านก็มีทุตดงควัตคอยคอยคอยยับยังเพราะท่านบังบวชนี้ท่านไม่ได้บวชเพื่อสัตว์ลาบสั ก, การะเพื่อปัจจัยสี่เพื่ออาหารบินตบานเพื่อจีวรเพื่ออะไรต่างๆท่านมาบวชเพื่อทํากันดังนั้นลาบสักการะเหล่านี้จะไม่มีความหมายสําหรับพระปฏิบัติกันนี่ก็คือทุตดงควัตที่เกี่ยวกับการอ เกี่ยวกับการรับประทานอาหารซึ่งญาติโยมก็สามารถเอามาปรับใช้ได้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นพระเท่านั้นถึงจะใช้ได้เป็นญาติโยมก็กินเมื่อเดียวได้กินในในชามในกาละมังได้อาหารทุกอย่างเทมันไปในกาละมังใส่เข้าไปของขาวของหวานขนมน ม, นมเนอยอะไรใส่มันเข้าไปคลุกมันเข้าไปกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินอย่างนี้กินเพื่อภาวนาไม่ได้กินเพื่อเป็นหมูเป็น อะไรก็ต้องเอามาปรับกันใช้ได้เป็นญาติโยมก็ใช้ได้กินมื้อเดียวก็กินก็ได้กินตามมีตามเกิดก็ได้ถ้าใครถ้ามีภรรยาทำอาหารได้ก็ไม่ต้องไปบอกเขาให้ทำให้นู่นนี่ให้กินเราอยากจะทำอะไรให้เรากินก็ปล่อยให้เขาทำไปเมื่อไปร้านอาหารก็ไปบอกเด็กว่าเอาอะไรมาก็ได้ ขอให้กินได้กินแล้วไม่ท้องไม่เสียก็แล้วกันเออันนี้ก็เรียกว่ากินแบบบิณฑบาตตามมีตามเกิดถ้ากินอย่างนี้แล้วกิเลสมันจะไม่ค่อยเกิดมันจะไม่มีนิวรณการภาวนามันจะภาวนาได้อย่างสบายส่วนส่วนส่วนกลุ่มที่สองก็เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยท่านสอนให้พระอยู่ตามคนไม้ก็คือให้อยู่ตามป่านั่นเอง อย่าไปอยู่ตามบ้านตามเมืองให้ไปอยู่ตามป่าให้อยู่ในวัดป่าวัดที่มีต้นไม้เยอะๆเพราะที่มีต้นไม้ยเยอะนี่เป็นวัดที่ร่มเย็นสงบไม่วุ่นวายหรือให้อยู่ตามเรือนร้างถ้าไปทุ่ ด, ดงถ้าออกจากวัดไปก็อยู่ตามเรือนร้างอยู่ตามตามเงื่อผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามที่สงบสงัดวิเวก่างไกลจาก รูปเสียงกิรลดโพธพิภะนี่เกิดที่ภาวนาของพระหรือถ้าไปอยู่ตามวัดก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดเขาจะจับที่อยู่ให้พักที่ตรงไหนก็อยู่ไปไม่จู้จี้จุกจิกไม่เลือกว่าขออยู่หลังนั้นขออยู่หลังนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มันหลบแดดหลบฝนได้ขอให้มันสงบให้มันภาวนาได้ก็แล้วกันให้ถือหลักการภาวนาเป็นหลักในการเลือกสถานที่พัก แล้วอีกหมวดหนึ่งก็เกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มคือจีวรค่จีวรท่านก็ให้ถือผ้าบางสกุลคำว่าผ้าบางสกุลก็คือให้หาผ้าที่เขาทิ้งตามป่าช้าหรือทิ้งตามกองขยะเอามาเก็บเล็กผสมน้อยพอได้จำนวนที่จะมาตัดเย็บจีวรได้ก็เอามาตัดเย็บจีวรแล้วก็เอามาซักย้อมด้วยน้าฝาดคือเอาไมา้แก่นขนุนนี่มาต้มแล้วก็เอามา ซักซักผ้าทิวลอที่ทํามาจากผ้าที่ริ้วต่างๆนี่อันนี้เรียกว่าผ้าบังสกุลเพื่อไม่ให้ยินดีกับผ้าผ้าที่เป็นผ้าพับหรือผ้าที่เขาสําเร็จรูปตัดเย็บมาจากห้างจากร้านคือให้อยู่แบบขอทานให้ยินดีแบบขอทานเพื่อจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกังวลกับการหาผ้ามามานุ่งมาหม่ม แล้วก็ให้ถือเพียงสามผืนก็พอไม่ต้องมีมากมีเท่าที่จําเป็นสําหรับพระนี่มีสามผืนก็พอผ้านุ่งห น, นึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วผ้าผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนเรียกว่าผ้าไตาจีวอให้ถือตายจีวรเป็นวัดเนี่ยนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่เครื่องนุ่งห่มของพระแล้วมีข้อหนึ่งก็คือการบําเพ็ญเพียรก็ให้ถือในสัชชิก คือให้ถือสามเวริยาบทคือให้ละเว้นจากการท่าจากท่านอนให้ถือแต่ท่ายืนท่านั่งและท่าเดินถ้าจะหลับก็ให้มันหลับอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งในสามท่านี้แต่จะไม่ให้เอ็นหนังนอนลงไปเพราะถ้านอนแล้วมันจะนอนยาวนอนยาวแล้วมันจะเสียเวลาการภาวนาจะไม่ได้ภาวนามากแล้วเมื่อไม่ได้ภาวนา มรรคผลนิพพานมันก็จะไม่เกิดนั่นเองการพระผู้ที่ต้องการผู้ปฏิบัติที่ต้องการมรรคผลภาวนาต้องการอย่างรีบด่วนก็ต้องถือทุดงคขวัตขอ้อนี้ถืออเรียบทสามถ้าจะหลับก็ให้มันหลับในท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้ท่าเดินก็ได้ถ้ามันจะหลับได้แต่จะไม่ให้มันหลับในท่านอนถ้ามันหลับอย่างนี้แล้วมันจะหลับไม่นาน ถ้าหลับในท่านั่งเดี๋ยวมันก็ชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ตื่นขึ้นมาละคอพับเดี๋ยวมันเมื่อยคอมันก็ต้องตื่นขึ้ น, นมาพอตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิต่อไปหรือลุกขึ้นมาเดินจงกรมได้เลยการบาเพ็ญภาวนาก็จะไม่เสียเวลามากไปกับการหลับนอนเมื่อมีการภาวนามีการปฏิบัติที่เป็นเหตุของมักผลที่ผ่านเมื่อมีเหตุผลมันก็ต้องตามมาอย่างแน่นอน ก็คือการบรรลุทำขั้นต่างๆตามที่พู้เจ้าทรงได้รับประกาศไว้ว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเป็นอย่างมากจะต้องบรรลุทำขั้นสูงได้อย่างแน่นอนถ้าไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ก็ต้องเป็นพระอนาคามีอย่างแน่นอนนี่แหละคือการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องปฏิบัติแบบนี้ ต้องรู้จักกำจัดปัจจัยที่เป็นปัจจัยต้านของการปฏิบัติและต้องรู้จักสร้างปัจจัยเสริมของการปฏิบัติถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วรับรองหน้ว่าการภาวนานี้จะมีแต่การเจริญก้าวหน้าไปอย่างเดียวจะไม่มีคำว่าถอยเลยเพราะมันไม่มีอะไรจะทำให้ถอยมันมีแต่จะได้ผลไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นศีลขั้นสมาธิไป ถึงขั้นปัญญาแต่ละขั้นไปมันจะมีแต่จเจริญไปเรื่อยๆไม่มีการถดถอยเ พ, เพราะเรามีทำเสริมและเรากําจับทำที่ต้านนี่แหละคือเคล็ดลับของการปฏิบัติที่จะทําให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันอย่างง่ายดายและรวดเร็วจึงขอฝากเรื่องของปัจจัยเสริมและปัจจัยต้านการภาวนานี้ ให้ท่านได้นำเอาไปเพณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในมรรคผลนิพพานที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ่อนยาถาวาเรวาหาปุราปาริโปเรเณติสาการัง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 มาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภาวะอะิวะธนสีลิสะนิจังวุทธาปจายโนยะตาโรธรรมาวาธาติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรม ท่านใดที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลยกับนมัสการท่านพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงผมมีความคิดอย่างนี้ครับพระอาจารย์เมื่อวานก็คิดว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะไปฟังเทศอาจารย์ดีกว่านะครับพอมาถึงตอนเช้า น่าจะอยู่บ้านนอนความรู้สึกนะครับแต่อัอนหนึ่งก็แย้งบอกว่าไม่ได้สิเราอยู่ไกลเราไม่ใช่คนแถวนี้หากวันหนึ่งเราจากอาจารย์ไปเราจะได้ทำบุญที่ไหนที่มีพระดีๆอย่างนี้และอีกใจนึงคิดเอาเผื่ออาจารย์ท่านจากเราไปเราจะมีโอกาสทเหรอครับนี่คือความรู้สึกอย่างนี้ผมไม่ทราบว่า เป็นคำประมาทไหมถ้าเกิดว่าคิดไม่ดีผมขอกราบขอขอมาอาจารย์ครับมันเป็นความจริงไม่ใช่เลย <laughs> ความจริงมันก็เป็นธรรม น, นี่แต่มันก็ไม่ใช่คำ ว, ว่าคิดแล้วเขาจะตายหรือเราจะตายมันก็เป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเองถ้าคิดเพื่อที่จะทำให้กิเลสตายมันก็ไม่ถือว่าเป็นการประมาท <laughs> แต่ก็ควรที่จะดูกาละเทสะ ถ้าเป็นเพียงความคิดไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าจะไปพูดต่อหน้าเขาเลยแบอบกว่าผมคิดว่าท่านอาจจะตายพรุ่งนี้มันก็อาจจะเป็นปัญหาได้ ถ, ไถ้าคนฟังเขาไม่มีธรรมเขาก็อาจจะคิดว่ามึงมาสาบมาแช่งคูหรอะแต่ถ้าคนมีธรรมเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้สนใจกับคาพูดของใครเพราะเขาดูความจริงเป็นหลักถ้าความพูดของคนเป็นความจริงป่านนี้ก็เป็นมาเษตีกันเลยหมดแล้ว กระผมอ่ะข้อที่สองครับเพลินว่าผมอยู่ห่างไกลกับวัดญาตินะครับอพอถึงวันพระก็ไปทําบุญที่วัดใกล้ที่พักครับคือวัดสันติธารมวัดหุ่นหารนี่นะครับตรงนี้ครับไปถึงก็แต่ใจก็ยังนึกถึงพระอาจารย์นะโอ้เราอ่าน่าจะไปทําบุญกับวัดของพระอาจารย์เนาะพอไปถึงที่วัดปุ๊บเฮ้ยทำไมมีเสียงพระอาจารย์ ใจนี่ผมพองขึ้นมาเลยครับคือที่วัดนั้นท่านเปิดซีดีของพระอาจารย์ครับ mm hmm. ผมยิ้ว่าอาจารย์เอ๊ะมาเทศที่นี่เหรอ mm hmm. นะครับก็ฟังอาจารย์นะอาจารย์ก็เทศเรื่องอหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งก็คือว่าการพิจารณานะครับขึ้นไปที่วัดนั้นก็ธรรมชาติหน่อยครับคือคนที่มาทําบุญจะต่างกับวัดยานก็คือคนแก่ที่ส่วนมากครับผมขาวหมดเลยครับ โอ๋อเป็นโอกาสดีเนาะถ้าเรามาตรงนี้นะ่ะที่อาจารย์เทศมาเนี่ยเราจะได้พิจรารณากับนิวรณ์เรื่องการมาฉันทนะที่อาจารย์พูดวันนี้ตรงกันเลยครับเราไปเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยเราได้ปรงจริงๆครับที่นั่นคนที่มีอายุคนที่เขาเรียกว่าแก่แล้วมากมานะครับเราต่อไปวันหนึ่งนะเราก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่า ก็เป็นเทวทูตไงอย่างพระพุทธเจ้าก็ที่ไปบวชได้ก็เพราะว่าเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเวลาที่ผมทําพระกรรมฐานนะครับก็คือสวมดมนต์เนี่ยนะครับทําไมมันรู้สึกร้อนมากครับเหงื่อแตกพลักเลยครับผมต้องเอาพัดลมมาเป่าขนาดนั้นนะครับอย่างขึ้นอิติปิโสเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่า อย่างผมเนี่ยห้าสิบกว่าแล้วนี่ครับโอ้กว่าจะเสกในเหงือง่อโสมเลยนะครับทําไมถึงถึงเป็นอย่างนั้นครับมันก็ขึ้นอยู่เพราะว่ามันอากาศร้อนหรือไม่ร้อน <c oughs> ถ้าเป็นหน้าหนาวแล้วยังเหงื่อออกก็แสดงว่าเป็นเรื่องของเรื่องของกิเลสกิเลสมันมักจะไม่ชอบทำกันพอให้มีทำแล้วมันจะร้อนขึ้นมามันจะต่อต้านครับ แต่ถ้าใจมีธรรมแล้วพอทาพอสวดมนต์แล้วใจมันจะสงบจจเย็นจะมีความสุขแต่ถ้าเป็นกิเลสมันอยากจะไปเที่ยวมันก็อยากจะสวดให้มันจบจบเร็วๆเมื่อยังไม่จบมันก็เกิดความเครียดขึ้นมาอยากจะให้มันจบมันก็เลยทำให้ใจร้อนขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่ามันร้อนเป็นคือฝืนมันต้องฝืนต้องเอาให้จบต้องเอาให้ได้อย่างนี้นันแแสดงว่ายังไม่อย่ะ ใจ ย, ยังไม่เข้าถึงธรรมใจ ย, ยังต่อต้านธรรมอยู่แต่ถ้าให้ดูหนังฟังเพลงนี่ดูได้เป็นชั่วโมงฟังเป็นชั่วโมงไม่รู้สึกร้อนเลยครับนิวรณ์ข้อหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์เทศวันนี้ก็คือง่วงเหงาห่อนอนนะครับคือสังเกตไม่สังเกตอ่ะทุกครั้งเลยก็คือว่าแม้จะนอนมาเยอะเท่าไหร่กันแล้วแต่นะครับพอจะสวดมนต์เนี่ยนะครับ เหาอย่างเงี้ยอาจารย์น้ำหูน้ำตาไหลอ่ะผมไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าทําไมมันมาได้ยังไงมันจะมียาอะไรไม่ได้กินแล้วไม่หาแบบนี้เนะ่ยผมอย่างนี้ครับอย่า ก, กินข้าวอย่าอย่าไปกินข้าวยังไม่กินข้าวท่านอาจารย์ตื่นนอนมาเลยครับตอนเช้าๆเนี่ยนอนไมต่ต้องไม่กินตั้งแต่เมื่อวานนี้ <laughs> ผมผมก็อดนะอย่างที่ระอาจารย์พูดนะครับ หลับนี่แค่ฝันไม่ได้กินข้าวทั้งคืนเลยครับอาจารย์อดทำไมพงป่องเนี่ยอดอะไรเนีคืออดเป็นทุกทั้งวันเนี่ยครัอาจารย์มันกลับมาในที่ที่ที่ฝันนะครับอาจารย์ได้ไาไปกินโน่นได้ไปนี่อะไรเงี้ยบอกเอ้าโอ้โหมันขนาดนั้นเลยไอความหิวเนี่ยนะอดได้ยังกับเขาให้กับเอาให้คนอื่นคนอื่นกับคักหนักนะข้อหนักๆักนะ พูดใกล้ๆหน่อยเจีงแค่แล้วงานมาสการหลวงพ่อท่นเจ้าคุณเจ้าค่ะหนูอยากถามทางโลกเจ้าค่ะว่าผัวปล่อยเอเปิดบ่อนอ่ะไก่ชนลูกเมีจะจะมีวิบากกรรมด้วยไหมเจ้าคะก็มันเป็นการส่งเสริมให้คนเสพระบายอย่างพวกมันมันก็อาจจะมีผลกระทบกลับมาโจรผู้ล่ายจะมากขึ้นเพราะคนเวลาเงินหมดมันก็จะไปลักขโมยไปอะไรกันมันก็อาจจะมาลักเงินของเราไปก็ได้ ใช่ค่ะเพราะว่าน้องเคยมาบุญด้วยกันตอนนี้พวะเปิดบ่อนไก่ชวนเขาก็ไป ม, มาชวนมาก็ไม่มาอเออรู้อยากว่าออมันจะบาปด้วยไหมเนี่ยว่ะก็มันอยู่ประตูบาปไงอบายามุกก็แปลว่าทวารของของอบายอบายก็คือที่ไปของคนที่ทําบาปคพอไปเกี่ยวข้องกับอบายเดี๋ยวมันก็ต้องไปทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ก็ต้องรักทรัพย์ไม่รักทรัพก็ต้องประพฤติผิดประเวณีใช่ค่ะ่องโกหกหลอกลวงใช่ค่ะ แล้วทีนี้อีกมีข้อนึงน้องอปฏิบัติคำด้วยกันดีๆแล้วอยากให้หลวงพ่อบอกว่าเขาติดกรรมอะไรมาแต่ชาติปังก่อนกินของสงฆ์ไหมเขาอยู่ดีๆไส้เขาเน่าขึ้นมาแต่เขาไม่เก็บไม่ปวดพอดีก็เป็นเนื้องอกนี่มันลูกอะเปตัดไปเจอเน่าตั้งนานแล้ว อ, อ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาคนเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาจส่วนวิบากมันก็ จ, จะมีส่วนเพราะเราในแต่ละภพแต่ละชาติเราก็ทําบุญทำบาป ก, กันมาไม่ไม่เหมือนกัน ถ้าถ้าเป็นโครคภัยแค่เจ็บตายเร็วท่านก็มากว่ามันเป็นวิบากของบาปที่เราทํา ม, มาอย่างถ้าอายุยืนยาวนะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็เป็นวิบเป็นผลของบุญที่เราได้ทำ ม, มาเจาค่ะแล้วเมื่อวานหนูไปดูเขานะหนูก็บอกว่าถามเขาก็เก็บไหมบอกไม่เก็บเขาก็เคยมาหาหลวงพอ่อก็บอกพี่หนูอยากไปหาหลวงพ่อไม่เป็นไรพี่มีทําหลวงพ่อมาบอกทาคำหนึ่งให้หนูทํานะปฏิบัติเข้าห้องป่าตาเขากระโทรมาทาหนู ให้หนูว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าใจเราไม่ทุกข์เราไม่ลงนรลกูกลูก็บอกเขาอย่างนั้นให้หนูอย่านอนอยู่บนเตียงนอนอยู่ห้องไอซูอันไปดูเขาว่าหนูอย่าอย่านอนบ้างเปล่าให้เอาพูดโทรมาบอกว่าใจกูมีทุกข์กูไม่ลงนะลูหนูก็ทําเขาก็พยักหน้ า, าถูกต้องแล้วแหละแล้วหนูจะบาปไหมนวลคาพูดหลวงพ่อไปบอกเขาเห น, นหนูบอกคนเลยเป็นบุญเป็นกุศลนะใช่ไหมคะ เ, เป็นบุญเป็นกุศลเจค่ะ ช่วยให้คนพนจากกบายเจ้าค่ะเขาบอกเขาไม่เก็บเขาไม่ปวดเ้านอนอยู่างเงี้ยดีแล้วเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะกลาวน้ามรสการพระอาจารย์ครับก็คือกับผมยังมีเรื่องนิมิตอีกเหมือนเดิมเ่ะครับก็คือบางทีตอนที่เดินอยู่บางทีเดินไปไม่มีสติไปสะดุด เก้าอยอย่างเงี้ยมันจะเกิดเป็นเหมือนกับเราเคยเกิดมาแล้วไม่รู้ครั้งไหนนะครับเป็นภาพเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเวลานอนหลับในความฝันในที่ทํางานก็จะบอกว่าตรงนี้จุดนี้จะมีเครื่องพังตรงนั้นตรงนี้แล้วเพื่อนก็จะพูดอย่างนั้นอย่างนี้พรุ่งนี้เช้ามาเป็นอย่างในความฝันจริงๆขอรับไม่ทราบว่ามันเป็นสัญญาหรือว่าเป็นยาน อะไรยังไงครับมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้ในตัวเราเองเป็นความสามารถพิเศษก็ว่าได้ที่สามารถเห็นอนาคตของสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แต่มันมันไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจเราคือมันไม่ได้ส่งให้เราได้ไปพระนิพพานได้ไปบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นเราต้องระมัดระวังกับ ความรู้เหล่านี้อย่าไปหลงอย่าไปเสียเวลากับมันรู้ไวใช่ว่าใสาบ่บาแบแคามรู้แล้วก็ปล่อยมันไปให้เราสนใจในการภาวนาเพื่อทําใจให้สงบทําใจให้ว่าง <c oughs> เวลามีอะไรมาปรากฏก็อย่าไปสนใจเราภาวนาเราอยู่แล้วก็ภาวนาของเราต่อไปถ้าพุโทโธอยู่ก็พุโทโธต่อไปอย่าไปตามรู้นิมิตต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้ ตอนนี้ยังไม่ใช่เป็นเวลาที่เราควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับพวกนิมิตเหล่านี้เพราะมันก็เป็นเหมือนกับนั่งดูทีวีดีๆนี่เองจะเสียเวลาการภาวนาของเราไปเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือสัมมาสมาธิคือจิตรวมเป็นอัปปนาสงบนิ่งตั้งอยู่ในอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เพื่อที่จะได้เป็นบาตรฐานของการเจริญปัญญาต่อไปถ้าเราปรากฏ ม, มีนิมิตขึ้นมาแล้วเราไป ตามรู้ตามดูก็เหมือนนั่งดูทีวีด้วยการหลับตาคือดูทีวีภายในใจเราพอออกจากสมาธิมาก็จะไม่มีอะไรที่จะมาสนับสนุนการเจริญวิปัสสนาได้ก็เหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิได้เหมือนกับนั่งดูทีวีเหมือนกับคนทั่วไปถึงแม้ว่าสิ่งที่เรารู้มันอาจจะทำให้เรารู้อนาคตของสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ก็ตาม แต่มันก็ไม่ได้มาชำระความโลภความโกรธความหลงไม่ได้มาตัดภพตัดชาติให้กับเราได้แต่อย่างใดงะนั้นพยายามพยายามอย่าไปสนใจถ้ามันปรากฏรับรู้แล้วก็ปล่อยวางพิจารณามันลงไปที่ตายรักษเสมอว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้เมื่อห้ามมันไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเอง สาธุกาบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกาบธรรมส ก, การ์พระอาจารย์ครับผมพอดีอยากถามหลายข้ออยู่ครับพอดีไม่ค่อยเข้าใจครับ อ, าอการเจริญสตินี้ต้องบริกรรมพุโทโธให้คล่องก่อนใช่ไหมครับถึงนั่งสมาธิครับก็ถึงเวลานั่งก็นั่งได้เลยคือเวลาที่ไม่นั่งก็บริกรรมพุโทโธไปตลอดเวลา ตื่นขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยเหมือนกับหายใจครับเหมือนกับการหายถ้าเราหายใจเราต้องหายใจเราก็ต้องพุโทโธนั่นเองส่วนจะนั่งเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ว่าเรามีเวลาว่างเมื่อไหร่เราก็นั่งเมื่อ น, นั้นนั่งก็บริกรรมพุโทโธเหมือนกันใช่ไหมครับพุโทโธก็ได้ถ้าเหนื่อยก็ดูลมหายใจแทนก็ได้เพราะว่าผมคิดว่า มันยังฟุ้งซ่านอยู่ก็เลยยังไม่กล้านั่งครับเพราะว่ามันจิตใจยังวอกแวกอยู่เพราะว่าสมาสติยันี่องนั่งดูเถอะองนั่งดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งดูแต่ขอให้มีพุทโธก็แล้วกันเวลานั่งมันจะฟุ้งก็ใช้พุทโธสู้กับมันไปครับผมแล้วก็ข้อสองครับอ่าการศึกษาพระไตรปิฎกคําสอนพระพุทธเจ้าจําเป็นต้องศึกษาทั้งหมดเก้าสิบเอ็ดเล่มไหมครับเพราะว่าตอนนี้ถึงสามสิบ ขึ้นเล่มสาิบสี่แล้วครับไม่จําเป็นหรอกให้ดูคํำสอนที่เป็นแก่นที่สําคัญสําคัญก็พอซึ่งเขาจะคัดออกมารวมเป็นนักสูตรนักธรรมตรีไปดูหลักสูตรนักธรรมตรีของพระก็ได้เขาจะคัดหัวข้อธรรมที่เป็นธรรมสำคัญต่างๆเช่นพระอริยสัจ ส, สี่มรรคแปดอิทติบาทสี่อะไรศีลสมาธิปรรัญญาตายรักอ ศีลห้าศีลแปดอะไรเหล่านี้คือเอาสะพ่อเจาะจงที่เราใช้ใช่ไหมครับผมอ่าแล้วข้อสามครับการสวดมนต์ที่เจเริญสตินี้ถ้าเป็นเอาบทสวดพระปรลิตนี้มาสวดทุกวันนี้<ว>จะได้ไหมครับบดไหนก็ได้ได้ขนาดไหนขอให้อยู่กับการสวดก็แล้วกันไม่ใช่สวดไปแล้วใจก็ท่องเที่ยวไปที่อื่นครับต้อง<ม>อยู่กับการสวดอย่างเดียวครับผมแล้วก็ อีกข้อหนึ่งคืออาจารย์ช่วยอธิบายาาใบประวาริละากับถวายเงินตอนนี้มันแตกต่างกันยังไงครับ mm hmm. เพราะว่าผมอ่านในพระวินัยท่านไม่ให้พระรับเงินคือผมอยากถวายตังแต่ว่าอามันท่านว่าใบประวาราณะาก็เหมือนอถวายตังพระมันพระรับไม่ได้ mm hmm. ผมก็ไม่กล้าถวายก็เลยจะเป็น ใส่สิ่งของหรือว่าใส่ตู้บริจาคหรือให้ไวยาวัญญาจกรอย่างนั้นผมก็เลยไม่กล้าตอนนี้แนะนําความรู้ไหนครับผมคือเดิมทีเนี่ยพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระรับเงินรับอทองแล้วต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาขอให้พระพุทธเจ้าผ่อนข้อนี้ลงคือให้ให้พราพระบางลูกที่มาบวชอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองไปซื้ออยู่ซื้อยา เรือซื้อสิ่งที่ไม่ได้มาจากการบินตบบาทหรือการถวายของจากญาติโยมก็พระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตแต่ไม่ให้ถวายกับมือกับพระให้ฝากกับลูกศิษย์เอาไว้อุกมมันมนเหืคนที่พระไว้ใจได้ไว้ใจเป็นวิยาวัจกร อ, อย่าง้ใไหมครับเขาเรียกวิยาวัจก ร, รแล้วเ ว, ล า, วลาจะถวายก็เพียงแต่เขียนใบปรานาให้พระรู้ว่าได้ถวายเงิน จำนวนนี้ฝากไว้กับวายาวจารวาก่อนท่ทานงงนั้นเองพระจะได้รู้ว่าได้รับเงินแล้วแต่เงินไม่ได้อยู่กับพระเงิน อ, อ, อยู่กับวายาเวลาพระอยากจะใช้เงินนี้เช่นอาจจะต้องเดินทางไปนั่นมานี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือต้องไปซื้ออยู่ซื้อยาไปหาหมอที่เขาไม่รักษาฟรีให้ก็ต้องจ่ายเงินให้เขาก็ต้องไปบอกวายาว่าเออต้องมีรายจ่ายนะช่วยจัดการให้หน่อยถ้าเขาจ่ายให้ก็ดีไปถ้าเขาไม่จ่ายก็บอกผมใช้ไปหมดแล้ว ก็ <laughs> ทําอะไรไม่ได้คือไม่ให้ถือว่าเป็นของเราครับพอดีตอนนี้มันมันอ่าเข้าใจแบบนี้เลยไม่กล้าถวายเลยครับผมตั้งแต่อ่อานมาก็เลยไม่รู้อยาถามครูบาอาจารย์ที่ไหนทีนี้เข้าใจแล้วครับแล้วก็เช่นเวลาบินทาบาทก็ไม่ควรจะเอาเงินใส่บาทไปอันนี้ก็ทําให้พระผิดนะผิดถ้าอยากจะถวายก็ฝากกับเด็กที่เขามาช่วยถ่ายบาท เ้าให้เก็บให้หลวงพ่อหน่อยนะแล้วอาเอาใบ ป, ปวารณาใส่ไปในบาทได้ขอปปะปวารณาได้ใช่ไหมครับแต่ตัวเงินนี่ต้องฝากกับลูกศิษย์ไว้ครับแล้วก็ อ, อีกข้อนึงครับคือได้ยินว่าอ่าเวลาเราถวายของใส่มือพระปั๊บบุญมันเจอเกิดขึ้นทันทีนี้ต้องรีบอุทิศเลยใช่ไหมครับก็ได้ยินมาอย่างนั้นครับคือเป็นบุญนี่ก็คือความสุขใจไง ความสุขใจที่เราที่เกิดจากการเราได้ให้สิ่งของกับพระเราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานเขา้าเดี๋ยวเราไปดา่าใครใครทําอะไรให้เราโกรธความสุขใจนั่นมันจะถูกอารมณ์โกรธมาลบแล้วมันก็จะไม่มีบุญอุทิตศดังนั้นต้องต้องรีบอุทิศเลยเป็นแบบทันทีเลยแล้ว การกวนน้ากับการไม่กวนน้านี้เหมือนกันไหมครับอาเพราะรับที่เราอุทิศนี่ไม่ใช่น้ําเราอุทิศบุญคือความรู้สึกที่มีอยู่ในใจเราแต่น้ํานี่เป็นประการเฉยครับเป็นตุ๊กตาเป็นเหมือนตัวอย่างให้เราดูให้คนรู้ว่าบุญเหมือนกับกระแสน้ําครับผมเวลาเราอธิษฐานว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับนายกรนายขอที่ได้ร่วงรับไปแล้วถ้ายังถ้ารอรับส่วนบุญนี้ก็ขอมาให้รับไป เนี่ยเป็นการส่งกระแสะจิตไปเหมือนส่งโทรศัพท์เขาจะส่งสมัยใหม่นี้ก็เรียกส่งเอสเอ็มเอสไปให้กับผู้ตายครับทีนี้เขาไม่เขาคนที่เขาไม่เห็นกระแสะจิตความคิดเขาไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงเขาก็เลยให้ใช้น้นําแทนเวลาอุทิศบุญก็สมมุติว่าน้ํานี่เป็นบุญที่เราอุทิศให้กับผู้รองรับไปแล้วครับผมจะมีน้ำหรือไม่มีน้ําก็ไม่เป็นปัญหาอะไรต้องมีบุญเท่านั้น ถ้าไม่ได้ทำบุญรา้เทน้ําไปก็ไม่เกินไปรกครับครับแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนที่อ า, อาจารยา์เทศก่อนจะจบว่าถ้าใส่บาทแล้วอาจารย์แล้วจะมาใส่ที่วัดด้วยแบบนี้มันเป็นการลบบุญไหมครับใส่ ท, งทสังบาทใส่ทั้งที่วั ด, ดวอันนี้เป็นเรื่องของของพระเวลาท่านถือทุโดงคขวัญท่านต้องกินน้อ ย, อยมากน้อยสันโดษท่านไม่ต้องการรับอาหารมาก แต่ไม่เป็นการล้มบุญของโยมเพียงแต่โยมต้องรู้จักเวลาทำนั่นอเองเมื่อท่านไม่ยอมรับที่สาลาเราก็ต้องไปสายตอนที่ท่านเดินบินฑบาททบาทครับผมพอดีมาเข้าใจแล้วครับพอดีมาศึกษาใหม่ขอเป็นลูกศิษย์หน่อยนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอาจารย์ออขอถามสักหน่อยได้ไหมเออสิ ท่านมาเมื่อกี้พูดเรื่องบุญเนี่ยนะครับเพื่อว่าผมก็มีเพื่อนมาคุยมาถามแต่ผมตอบเขาไม่ได้นะครับสํานักหนึ่งนะเขาบอกว่าทําบุญเนี่ยนะยิ่งทํามากยิ่งได้มากเขาบอกอย่างนี้นะเปรียบเหมือนกับคุณทำนาหนึ่งไร่กับทํานาห้าไร่อ่ะคุณคิดดูแล้วกันอันไหนได้บุญมากกว่ากันอะไรเงี้ยแล้วทําบุญเนี่ยร้อยหนึ่งกับห้าร้อยห้าร้อยมันต้ได้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็ตอบเขาไม่ได้ครับมันมันมีส่วนเหมือนและส่วนต่างส่วนเหมือนก็คือ เราทำบุญไปตามกำลังของเราเราทำแล้วก็เหมือนกินอาหารถ้าเราเป็นหนูเรากินข้าวจะช้อนดูช้อนเดียวก็อิ่มถ้าเราเป็นช้างเราก็ต้องกินข้าวหนึ่งถังมันถึงจะอิ่มฉะนั้นคนรวยต้องทำมากมันถึงจะอิ่มใจคนจนทำน้อยมันก็อิ่มใจเท่ากันต้องดูเปอร์เซนต์อย่าไปดูจำนวนเงินสมมติคุณมีร้อยบาทคุณทำห้าสิบบาทนี่คุณทำร้อยละห้าสิบถ้าคนรวยมีร้อยล้าน ต้องทําเท่ากับคนนี้ก็ต้องทำห้าสิบล้านเขาถึงจะได้ความรู้สึกเท่ากันโอ้ครับผมผแต่<ม>อันนี้สองที่ต่างกันก็คือคนทำร้อยล้านเวลาไปเกิดพกหน้าชาติหน้าก็ได้ได้ร้อยล้านคนที่ทำร้อยบาทไปเกิดชาติหน้าก็ได้แค่ร้อยบาทครับผมมันมันต่างกันอย่างนี้แล้วเหมือนกันอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับนะ ต่อไปเป็นคําถามจากทางบ้านค่ะคําถามแรกจากคุณท่าสี่ขันห้าภาวนาแล้วจิตรู้สึกว่าเป็นสองจิตจะกําหนดดูหรือปล่อยครับให้อยู่กับองค์ภาวนาถ้าเราอยู่กับลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับความรู้สึกว่าจิตเป็นหนึ่งหรือเป็นสองเป้าหมายของเราก็คือต้องการให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตรวมลงและสงบ ถ้าจิตสงบแล้วการภาวนาก็ยุติไม่ต้องดูลมไม่ต้องพุโทโธเพราะตอนนั้นจิตจะเน่งจะไม่มีความคิดปรุงแต่งจะสักแต่ว่ารู้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อแรก จากคําสอนของพระอาจารย์ที่ว่าการเจริญปัญญาไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขั้นอรูปฌานแต่ในกรณีที่สามารถนั่งสมาธิได้จนถึงอรูปฌานควรจะดึงกลับมาที่อุเบกขาฌานหรือไม่คะหรือควรปล่อยให้จิตเข้าไปพักในอรูปฌานตามกําลังของสติคะคือเราก็ไม่เคยเข้าอารูปฌานเราก็ไม่รู้แต่เท่าที่เข้าใจพอผ่าน ผ่านขั้นรูปประชาญไปแล้วอรูปประชานนี้ก็มีอุเบกขาอยู่ทุกระดับเหมือนกันเพียงแต่ว่าละเอียดเข้าไปลึกเข้าไปสงบมากขึ้นกว่าขั้นรูปประชาญ ข้อที่สองในชีวิตประจำวันดิฉันจะเจริญสติตั้งแต่ลืมตาคือการระลึกรูก้การเคลื่อนไหวของร่างกายตอนนอนก็ระลึกรู้อยู่กับท่านอนทำให้บางครั้งเห็นว่าตัวเองนั่งมองดูร่างกายตัวเองนอนอยู่ พอฝันสติก็จะบอกว่าตัวเองกำลังปรุงอารมณ์อยู่ไม่ใช่เรื่องจริงสติก็จะดึงกลับมาที่ลมหายใจทันทีและหยุดการฝันโดยปริยายดิฉันจเจริญสติได้ถูกวิธีและถูกต้องหรือไม่คะหรือเพ่งตรึงกับการปฏิบัติจนเกินไปคะการจเจริญสติก็เพื่อให้จิตไม่เคลดปรุงแต่งไม่ไม่ฟุ้งซ่านให้จิตสงบ ให้รวมเป็นสมาธิเท่านั้นเองส่วนเวลาฝันนี่มันก็เป็นเรื่องของของจิตที่ไม่มีสติควบคุมในตอนนั้นแล้นมันจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันเป็นเหมือนกับเป็นดูรายงานผลของการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติไปถึงขั้นไหนเวลานอนหลับหวนไปนี่มันจะเหมือนกับมาฟ้องมาบอกเราว่าเราถึงขั้นนี้แล้วนะนเป็นแบบนี้เท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณกระโหนพรภัยษาสวัสดิ์เสนีข้อแรกถ้าเราไปอาศัยอยู่ในป่าลึกเต็มไปด้วยสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายมากมายเราเคยเป็นผู้ที่ชอบฆ่าผู้อื่นแต่ตอนนี้เราถูกไล่ฆ่าจากสต์เสียเองสถานการณ์นี้จะทําให้เรามีสติใช่ไหมคะแต่สถานการณ์นี้จะทําให้เรารู้สึกว่าการฆ่านั้นเป็นทุกข์ได้อย่างไรคะ อ้าก็เราไปทําใครเขาแล้วเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความกลัวที่คนอื่นเขาจะมาทําร้ายเรานี่มันก็เป็นความทุกข์อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ไปเคยเราไม่ไปทาร้ายใครเวลาเราไปอยู่ที่น่ากลัวเราจะไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดข้อที่สอง องคุรีมานไล่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นระยะทางถึง480โยดจนเหนื่อยหอบหมดแรงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราหยุดแล้วท่านละหยุดหรือยังแค่คำพูดเพียงเท่านี้ทำไมองคุรีมานจำวางอาวุธและออกบวชอยากให้พระอาจารย์อธิบายสภาวะธรรมขององคุรีมานว่าทำไมท่านจึงรู้ว่าสิ่งนี้คือทุกข์ นี่คือเหตุแห่งทุกข์นี่คือหนทางแห่งความพ้นทุกข์และดับทุกข์ได้ค่ะคือตอนที่องคุลิมาลบอกพระพุทธเจ้าว่าให้หยุดเถิดแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสต่อบไปว่าเราหยุดแล้วเถิดต่างหากที่ยังไม่ได้หยุดองคุลิมานก็ถามตอบกลับไปว่าหยุดอะไรนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราได้หยุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้ว พอผูดท่นนี้องค์กริมนเขาก็เข้าใจว่าตอนนี้ตนเองยังไม่ได้หยุดเพราะยังมีความโลภอยากจะฆ่าผู้อื่นอยู่มีความโกรธแค้นโกรธเคืองอยากจะฆ่าผู้อื่นเพราะเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าการได้ฆ่าผู้อื่นแล้วจะทำให้ตนเองเป็นผู้วิเศษขึ้นมาพอได้เจอผู้วิเศษกว่าตนคือพระพุทธเจ้าได้พูดทักเอาไว้กก็เลยได้สติคืนมาก็หายหลง แล้วก็เลยขอศึกษาจากพระพุทธเจ้าต่อไป พ, พเขาจาก็ส่งสอนพระอริยสัจสี่สอนให้รู้ว่าปัญหาทั้งหมดอยู่ที่สมุทัยคือความอยากสมุทัยทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจไปเกิดแก่เจ็บตายถ้าอยากจะหลุดพ้นอยากจะเป็นพระอาหารหันต์อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องหยุดความอยากวิธีจะหยุดความอยากก็ต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากว่าเป็นตายลัก หมดคำถามจากทางบ้านค่ะมีทางศาลานี้ใครยังคล่องใจอยากจะถามอีกไหมอ า, อาจารย์ถามเพิ่มีกนิดหนึ่งครับพอดีได้ยินว่าการที่จะบรรลุธรรมต้องสั่งสมบาลีให้เต็มแสนกลับตัวนี้ใช่ไหมครับทุกคนถ้าไม่มีพระท้ามาสอนก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆ แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้าเรานี้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็บรรลุได้บรรลุได้ใช่ไหมครั บ, บได้ถ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่อ๋อเพราะบางท่านบอกว่าไม่ไม่นั่งสมาธิไม่กล้านั่งเพราะว่าเผื่อจะเต็มแสนกลับต้องอีกนานแตบบ่ว่าต้องทําบุญตลอดเลยประมาณนี้ครับอันนั้นเป็นเป็นข้ออ้างของกิเลสไม่อยากให้เราปฏิบัติไงอยากจะให้เราทําบุญอย่างเดียวยังไม่อยากให้เรารักษาศีลไม่อยากให้เรานั่งสมาธิ ไม่อยากให้เราพิจารณาความตายครับใครนี้ก็สามารถบรรลุทำได้ได้ ไ, ไปในเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดปีนี้ต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนครับผมเข้าใจแล้วครับอานนัมสักการ์นี่อย่าบรลุเลยล่ะ นี่ไงนี่ไง่ไงถาปฏิบัติเอาทก็รู้ว่ารู้รู้ต้อ้องออกออกโอว่าแค่เอี่ยมแค่เอี่ยมถึงน้องแค่นี้อ่าพอแล้วอ่าสมควรกับเวลานะอ่ขอให้นำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิณิชพิจน า, าไปปฏิบัติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ